เอชเอนเทอร์เทนเมนต์ูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก ข้ายินดีด้วยนะเธีเองได้เป็นผัวโบเกะขอบใจมากขอบใจที่เอ็งอุตส่ามาร่วมงานแต่งของข้าทั้งๆ ท, ท, ที่จริงแล้วเอ็งก็ไม่ค่อยชอบขีนาค่ะสักเท่าไหร่ใครบอกว่าข้าไม่ชอบขีนาเองเหรออืมใครๆก็รู้ ก, กันทั้งนั้นแหละข้ามันลูกพ่อซ้ํากอพ่อที่ถูกใครๆตาหน้าว่าเป็นโจรไอ้ลูกโจรอย่างข้าจะมีใครชอบหรอเอ็งว่าไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยเรื่องพ่อเอ็งก็ส่องของพ่อเรื่องของเอ็งก็เรื่องของเอง็งข้าพูดถูกไหม ถ้าชาวดอยแม่เสรเรียงคิดอย่างเองกันหมดข้าคงจะมีความสุขมากๆเฉละเข้าว่าทุกคนก็คิดเหมือนข้านั่นแลทําไมเองถึงคิดอย่างนั้นน่ะเกรงไม่เห็นเหรอเห็นอะไรหรอแขกที่มาร่วมงานแต่งของเองอะ่ะมากหน้าหลายตากับทั้งหมู่บ้านละมั่งชาวคริสก็ไม่รังเกียจชาวคริสด้วยกันหรอกเพราะพวกข้าคิดว่าเองเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันข้าก็เป็นลูกพระเจ้าคนอื่นๆที่มาแสดงความยินดีกับเองต่างก็เหมือนกันเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราเดินไปในเส้นทางเดียวกันแล้วถูกต้องไหมหก็ใช่ก็ได้น่ะสิพราะฉะนั้นเลิกคิดมากได้แล้วอืขอบใจมากนี่เอ็งรู้ไหมบูซอ ร, รู้อะไรบูเกน่ะเป็นนอกสาที่ข้ารักมากเลยนะข้ารู้แล้วละเมื่อเอ็งรู้ก็ดีแล้วก็รักมันให้มากๆหน่อยรักมากกว่าที่ข้ารักเข้าใจไหมเข้าใจดีมากบูซอข้าเอ็งก็ดีใจมากนะที่ได้ยินเอ็งพูดแบบนี้ต่อไปเนี่ย เราก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะสินะใช่เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมานานแล้วจริงเหรอจริงสิไม่ยักรู้เรื่องอ้าวเอ็งไม่รู้เรื่องได้ยังไงเอ็งน่าจะรู้ตั้งแต่แรกที่เอ็งรับพระเจ้าเข้ามาในดวงใจแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองข้าพูดถูกไหมละ่ะถูกต้องที่สุดเลยละ่ะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆเชลัสถูกต้องแล้วละ่ะ <laughs> เอาล่ะไปรับแขกอื่นเถอะ เดือดข้าหาข้าวกินเองได้เลยได้เลยตามสบายนะ ใจด้วยนะปุ๊กเกย์ขอบใจจ้ะพี่ไม่ไดีใจเลยอที่ได้แต่งงานกับคนที่เข้ารักเองอรัเคยมีผู้ใหญ่บอกกับฉันว่าถ้าคิดจะแต่งงานกับใครสักคนให้แต่งงานกับคนที่เขารักเราไม่ใช่ไปแต่งกับคนที่เรารักเขาว่าถ้าเขารักเราจริงแต่งงานกันไปแล้วเขาก็จะเป็นผู้ให้ให้เราได้ทุกอย่างมีปัญหาอะไรเขาก็จะรีบแก้ไข ไม่ปล่อยไว้คาราคสซังแต่ถ้าเรื่องที่จะแต่งงานกับคนที่เรารักเขาในขณะที่เขาคนนั้นน่ะอาจจะรักเรามากหรือน้อยก็ตามหรืออาจจะไม่ได้รักเลยโดยที่มีเรื่องอื่นแอบแฝงแบบนั้นเวลามีปัญหาเขาจะไม่สนใจใจดีอะไรด้วยเลยเพราะหัวใจเขาไม่ได้รักเราเขาจะมองข้ามไปอย่างหน้าตาเฉยยิ่งถ้าใครที่เห็นแก่เงินยิ่งเลวร้ายใหญ่เลย ฉันใช้เงินฟาดหัวมันถึงจะยอมทาให้ฉันมาคิดดูและแล้วก็เลยคิดได้ว่าฉันจะแต่งงานกับคนที่เขารักเราจะไม่แต่งกับคนที่เรารักเขาข้างเดียวเด็ดขาดพูดเหมือนตัวการแดกดันใครอย่างนั้นละก็แล้วพี่คิดว่าฉันแดกดันใครล่ะพี่มัง้งฉันยังไม่ได้พูดนะแต่ข้ารู้ว่าเองอ่ะแดกดันแค่แน่นอย่าคิดมากนาะ เรื่องของฉันกับพี่อ่ะมันจบไปแล้วนั่นสิมันจบไปแล้ ว, ม, ลวมิแต่ข้าคนเดียวยังไม่รู้เลยว่าฉิบิจจ อ, อกหัวหรือก้อยพี่นะ่ะเป็นคนเลือกเองนะใช่ข้าเป็นคนเลือกและข้าก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจด้วยนะถ้าคนที่ข้ารักมีความสุขกับคนที่เข้ารักรักคนที่เรารักเขาก็ได้แต่หวังลมๆแรงๆแห ล, ละเหมือนฉันไงเคย อ, อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนฉันเข้าใจความรู้สึกของพี่ดีอืมขอบใจที่เข้าใจ ขอพระเจ้าอวยพรให้เองมีความสุขมากๆนะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองขอบใจนะพี่เอข้าจะกลับบ้านแล้วละ่ะอ้าวทำไมรีบกลับละ่ะไม่มีความสุขหรือไงมีสิไม่มีได้งไงเพื่อสนิทแต่งงานทั้งทีถ้ามีความสุขจริงก็ต้องอยู่ต่อสิกินให้เยอะๆดื่มให้เยอะๆด้วยไม่อ่ะอยากกลับไปพักผ่อนสักหน่อยมาช่วยงานตั้งแต่เช้านะขอบใจมากนะพี่ที่อุตส่าห์มาช่วยโน่นช่วยนี่แต่เช้าเลย พี่น่ะเป็นคนแรกและมั้งเนี่ยเพราะข้ารักเองอย่างพี่รักน้องนี่นาะไม่ช่วยน้องนู่จะไปช่วยใครที่ไหนเล่าแค่นี้ฉันก็ทราบซึ้งใจแล้วล่ะไปนะจ้าแล้วข้าจะมามันมากินข้าวบ้านเอง <c oughs> ด้วยความยินดีจ้าแล้วเจอกันน้องรักพี่สูเวเดินหลับตาไปแล้วแต่เรานี่สิยังยืนคลุ่นคิดไปต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของพ่สูเวกับศีลาพวกเขาจะมีทางลงเอยกันได้ไหมคำพูดที่เราพูดเตือนสติคุณเทพจะสามารถทาให้คุณเทพคิดได้ไหมนะแล้วคุณเทพจะยอมตัดใจศีลาแล้วเป็นผู้เสียสละไปจากดอยแม่สรียงหรือเปล่าเราอยากจะรู้เหลือเกินว่าสุดท้ายแล้วระหว่างพ่สูเวกับคุณเทพใครจะได้ครอบครองหัวใจศีลากันแน่ แต่ถ้าถามเราเราตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าศีลาควรจะเลือกพี่สูเวเพราะผู้ชายคนนี้มีแต่ให้เขาเกิดมาเป็นผู้ให้จริงๆเขาจเจริญรอยตามพระผู้เป็นเจ้าอย่างเท่งกลัหวังว่าความดีของพี่สูเวพระเจ้าคงจะทรงประทานพรให้เขาให้ได้สมหวังในรักระวังอย่างนั้นจริงๆ ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment She's the one I want. วันนี้มีอีกคนเข้ามาชีวิตก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเหน็บนาวนั้นหายไปอบอุ่นใจก็เพราะเธอเธอคือคนที่ฉันต้องการ 这途经满城。 เธอกับขังตัวเองไว้นานเท่าไรไม่รับใครเข้ามาความบวดร้าวนี้คราวนั้นที่มันฝังใจอย่าแบกให้เนื่อยล้ามองที่ฉันคนนี้ที่รัก เธอไม่นานคนที่เธอนั้นมองผ่านเรืยมาอย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเธอไม่มีค่าฉันขอรักษาเธอได้ไหมให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้ฉัน แบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรักไ่ให้เธอแก็บไว้ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดราว ยิ่งคิดไปคิดมาความออนไว้ในวันนี้ที่เธอนั้นมีนั้นแหละคือบปญหา เพิ่งคิดว่าชีวิ a ของเธอไม่มีค่าฉันขอรักษาเธอด้ไหมให้เธอชรความจำในหัวใจมาให้ฉันแบ b a มันมาจน I ธอนั้นสบายใจและจะแชร์ความรักไม่ใ แก็ไว้ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้า ว้า ังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment อา้าวหมูซออ้อาพ่อมาได้ยังไงล่ะเนี่ยก็รู้ว่าเองแต่งงานถึงได้มาไงอ๋อนี่ถ้าไม่มีใครไปบอกข้านะข้าก็คงจะยังไม่รู้ว่าลูกชายคนที่ของข้าแต่งเมียในวันนี้สินะอคือว่าผมในสายตาเขาเองนี่ข้ามาเร็วมากไม่สมควรมาอวยพรคู่บ่าวสาวใช่ไหมเออมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อนะแล้วมันยังไงก็ผมไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนตั้งหากล่ะระยะหลังเนี่ย <c oughs> พ่อออกไปฝั่งทางโน้นไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ข้าอยู่ในอำเภอแล้วอ้าวข้าล้างมือแล้วเว้ยฮะจริงจริงได้หมูซอข้าน่ยลดละเลิกทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยเฮ้ยเอ็งไม่เชื่อที่ข้าพูดหรือไงเ๋อเชื่อสิพ่อเชื่อแล้วสึกหัวราททำไมเล่าก็หัวเราะด้วยความดีใจครับพ่อต่อไปเนี่ยผมไปไหนมาไหนก็ยืดออกคุยโวโอ้วดได้แล้วใช่มว่าพ่อผมเป็นคนดีแล้วถูกต้องแล้วต่อดี คาดก็เข้าไปช่วยคริสจักรด้วยนะจริงเหรอเนี่ยพ่อจริงสิดีใจจังเลยเเดี๋ยวกี่ไหนล่ะอเมียเองอ่ะเะมียเองอยู่ข้างในครับอเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแขกเพิ่งจะกลับไปเมื่อครู่ใหญ่นี้เองมากันเยอะสินะ่ะก็เกือบทั้งหมู่บ้านแหละครับนี่ล่ะเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนก็เลยให้ความรักแล้วก็เอ็นดูครับเอ้ยนั่นไงเมียเองออกมาแล้วอ๋อบูเก้บูเก้ มานีหน่อยสิพ่อข้ามานะ่ะมาแล้วจ่ะมาแล้วสวัสดีครับพ่อเออไหวพ่อเลยอินังเหรอพ่อเพิ่งมาถึงเหรอคะอืพอกินอะไรมาหรือยังอ่ะยังเลยกาจะมากินที่นี่อา้าวถ้างั้นอยากกินเลยดีมากฉันอุ่นกับข้าวเรียบร้อยละฉันกับมูซอก็ยังไม่มีอะไรลงท้องเหมือนกันนะคะงานแต่งของเองก็ต้องอดอย่างนี้แหละ กว่าจะมีค้าวตกถึงท้องก็ต้องรอให้แขกแล้วกลับบ้านกันหมดแล้วนั่นแหละจริงของพ่อผมน่ะหิวมากเลยครับอยากจะแอบไปหยิบของกิงมันก็ไม่ได้ยอมหิวจนหน้ามืดเลยนะเนี่ยกินข้าวเลยแล้วกันนะเอาสิยกกับข้ามาได้เลยเดี๋ยวข้าเข้าไปช่วยยกด้วยนะได้เลยจ้าพ่อรอเดี๋ยวนะจ้าจ้ า, จ า, จา กินได้ไหมคะพ่อออร่อยอร่อยมากเลยล่ะจริงเหรอคะพ่ อ, อจริงสิชาวบ้านเขาช่วยกันทําให้นะคะก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันเวลาที่หมู่บ้านเรามีงานมงคลเมื่อไรนะชาวบ้านมาช่วยกันคนละม้าคนละมือดูแลอบอุ่นดีเหลือเกินค่ะ <c oughs> พอกินเยอะๆนะครับอืมอืไม่ต้องบอกแล้วพรจะนอนค้างที่นี่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม่กำคาจะกลับไปนอนในอำเภอ พ็ติดบ้านในอำเภอแล้วเหรอนี่ก็มันน่าอยู่นี่นะล้วที่นี่ไม่น่าอยู่แล้วสินะก็ยังน่าอยู่เหมือนเดิมแหละละข้าก็ให้เองดูแลเป็นคนเดียวไงขอบคุณครับเอาข้าให้พวกเองสองคน <c oughs> อ, อะไรครับพ่อฉโ น, นที่ดินพร้อมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอนี่ฮ่ <c oughs> ว้าวเป็นชื่อของผมกับบูเก้นี่นะเนื้อที่สีร่รอยกว่า เผื่อว่าวันข้างหน้าอยากจะออกไปอยู่ในอำเภอมันสะดวกกว่าอยู่ที่นี่ผมต้องถามบูเก้แล้วล่ะเรื่องจะออกไปอยู่ในอำเภอนะ่ะเรื่องนั้นนะ่ะเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้ฉันยังอยากใช้ชีวิตบนดอยนะจ้ะอะตามใจเองนะอืมแต่ว่าเราไปอยู่ในอำเภอก็ได้เหมือนกันนะอยู่บนดอยมั่งแล้วก็ออกไปอยู่ในอำเภอมั่งสลับกันไปก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึงนะ่งไงอืม ขอบคุณมากครับออพอ่อไม่เป็นไรของข้าอีกน้อยก็ต้องตกเป็นของเองนั่นแล้วรักเดียวใจเดียวนะไ้หมูซอเอาอย่างข้าข้าที่ไม่เคยนอกใจแม่เองเลยไม่ว่าแม่เองจะจากไปแล้วก็ตามทีครับผมจะทำอย่างนั้นครับผมให้สัญญาข้าให้สัญญานะบูเกขอบคุณข้าก็ให้สัญญาเหมือนกันว่า ข้าจะปฏิบัติตนเป็นเมียที่ดีของเองมูซอเยี่ย <laughs> มคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสนิยบัตดหรือจดหมาย